วิธีลงตัดสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสงพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครุกาบัตในถ้ำกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้ถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติ ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครุกาบัตในถามกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้สงลงตัดสปาปิยาสิกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้ว ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงตัดสปาปิยาสิกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึงคารุกาบัตในถ้ำกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้สงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครุกาบัตในท่ามกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่ง มากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้สงลงตัสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงตัสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงตัสปาปิยสิกากรรม สงลงแล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิกรระงับแล้วระงับด้วยอะไรด้วยสัมุขาวิันกับตัสปาปิยสิกาในสามุขาวิันนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลในตัดสปาปิยสิกานั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือตัดสปาปิยสิกาอันใด นี้มีในตัสปาปิยสิกานั้นภิกษุทั้งหลายหากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทําหรือฝืนต้องอาบัตปาจิตตีที่หรือฟืนผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียง